นี่เป็นวันอาทิตย์ที่สองเดือนกุมภาพงกับวันแรมเข้าคําเดือนหนี้บ้านหลวงพ่อเดือนี้ทางนี้เดือนสองบ้านหลวงพ่อถ้าว่าเดือนหนี้นี่รู้เดือนเจียงเดือนนี้เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบพูดได้ขยาย ห้าคู่เดือนมกราคมพาเมย์สาเน่ไม่ค่อยรูเ้เรืองนี้ก็รู้กันแล้วแต่ทำเนียมประเพณีบ้านของพ่อคือเดือนคู่ยังปลูกบ้านแตงเดือนได้ถ้าเป็นเดือนที่ราปลูกบ้านแตงเดือนใหญ่พอไปอา ง, งานสมรดก็เช่นเดียวกันห้ามประเพณีห้ามไม่ให้แต่งงานสมรดหยอกไม่ให้เอาหัวเอ า, าเมยเดือนที่มันไม่ดีอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะสังคมมันหมุนมาล้วก็ต้องไปตามสังคมเขาเดียววิวัวฒนาการเดี๋ยวนี้คนส่วนมากมุ่งหวังในการพัฒนาถนนหนทางพัฒนาบ้านเมืองให้มันดีขึ้นถ้าคนใดไม่มีการพัฒนาถนนหนทางบ้านเมืองแล้วบ้านเมืองนั้น ไม่จเจริญเพราะดีเ น, นันแต่ไม่เคยพูดเรื่องจิตใจคนตามปกติหลวงพ่อเคยจะพูดที่ไหนกอพูดจะเรื่องจิตใจคนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องบ้านเดือนเสื้อผ้ามีมากไปแล้วหรูหรามีโรงงานโรงอุตสาหกรรมขึ้นในเมืไทย คนต้องมีงานทําการดูการกินการนั่งการนอนรถมีเข้าไปทุกบ้านแต่สมัยเมื่อหลวงพ่อยังเป็นเด็กโรงเรียนไม่มีถนนก็เดินด้วยเท้ารถจั ก, กรยานยังไม่มีจะด้วยนะครับท่าหลวงพ่อเป็นเด็กเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็มีถางรถยน์เข้าถาึงบ้านเลยบางทีบ้านนอกก็มีรถรถยนต์แบบนี้ดี้มีประจำกระทุกบ้านนะเดีย๋ยวนี้ การพัฒนามันเร็วที่สุดเรื่องโลกเรื่องสังคมเพราะมันเป็นสิ่งที่มองเป็นด้วยตาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเห็นด้วยตาฟังด้วยหวูแต่สิ่งที่ทุกคนควรจะนึกถึงว่าความทุกข์นี่ไม่เคยนึกถึงมุ่งจะไปแก้ความทุกข์ของคนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยนึกว่าจะแก้ตัวเองไม่เคยนึกเลย อาจจมาก็ว่เช่นเดียวกันเมื่ อ, อยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นึกถึงเรื่องนี้กว่านึกถึงเรื่องพุทธศาสนาทีเดียวพุทธศาสนาเนี่ยเข้าใจว่าต้องมีรัทธินพระพุทธรูปแล้วก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็มีญาติโยมไปทําบุญมากๆเข้าใจว่าอย่างนั้นเป็นศาสนาจเจริญเี่ยเข้าใจไหม สร้างโบสถ์สร้างวิหารตัวเองนี่อีกคนหนึ่งเคยสร้างโบสถ์ลเรียกอีกหลังหนึ่งไปด้วยแลยคึกว่าอันนั้นทำให้พุทธศาสนาเจริญตายแล้วต้องไปเกิดสวรรค์ตายแล้ว้าไปนิพพานเนี่ยเข้าใจอย่างจริงๆอันนี้สำคัญมากแต่คนอื่นนั้นอาจจะเข้าใจยังไงไม่ทราบต่อเมื่อมาศึกษาตัวเองดูแล้วมันเป็นเพียงสมมติเทอื่น อันนั้นมันเจริญจริงแต่จิตใจไม่เจริญเมื่อสร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็ยังมีการพอใจไม่พอใจยังมีการทะเลาะวิวาสกับเพื่อนๆนได้อยู่ส่วนของพ่ออุ้งเม่อมันคำนึงคำนวณดูโอ้เรื่องนั้ น, นก็ดีแต่มันเป็นเพียงแสงเป็นให้โลกมองเห็นคนนับหน้าสู่ตาเป็นการสร้างซื้อเสียงแต่ความจริงอันนั้นเป็นการสร้างซื้อเสียง มันจะเป็นการสร้างสื่อเสียงสร้างสื่อเสียคขา่าสร้างสื่อเสียงเนี่ยคนอื่นยกน้องดีจริื่อเสียของเราคือจิตใจมันไม่ลดละโทสะโมหะโลภะยังไม่ลดละด้วยมันเสียตัวนี้เรื่ก า, การสร้างสื่อเสียงและการสร้างสื่อเสียมันใข่กันที่สุดมันเป็นตัวต่อเหมือนกันใช่ไหมเป็นเป็นเสียหรือเป็นเป็นเป็นเป็นเหมือนกันนะเราเป็นอะไเนี่ย <c oughs> เสียงกับเสียเนี่ยเป็นอย่างนี้คุว่ามันคล้กันเราก็เลยไม่เข้าใจตอนนี้ก็เลยอยากมาแนะนำเพื่อนจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ า, ก, าก็เช่นเดียวกันเป็นญาติเป็นโยมก็เช่นเดียวกันเราควรศึกษาและวิพัฒนาตัวเองบ้างตัวหลวงพ่อเองเนี่ยเป็นหลวงพ่อโชคชอบพูด เ, เรื่องตัวเองมากไปปฏิบัติธรรมนี่เป็นโยม เคยพูดให้ฟังบ่อยนะอย่างนี้นะเคยได้ยินบ้างไหมเอเคยได้ยินเขาพูดเรื่อยๆเนี่ยเป็นโยมไปปฏิบัติธรรมะพระยี่สิบสามลูกโยมห้าคนเป็นผู้หญิงสามคนเป็นผู้ชายสองคนไปปฏิบัติธรรมะเนี่ยว่าว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วนี่การปฏิบัติธรรมนั่นน่ะให้ว่าการปฏิบัตินี่แหละไม่เหมือนกันการกระทําจึงไม่เหมือนกันความรู้ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นอย่างนี้แล้วว่าปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติชีวิตเนี่ยมันเป็นทันเดียวกันเข้าใจไหมชีวิตกับธรรมะเนี่ยคล้ายๆอันเดียวกันหรือจะว่าอันเดียวก็ได้หรือจะว่าคนละอันก็ได้คนใดมีธรรมะเข้าไปคลองอยู่ที่หิวใจแล้วคผมคุกจะลดน้อยจากทันทีชีวิตก็ไม่มีคุกทันทีนี่เป็นอย่างคนใดไม่มีธรรมะเข้าไปคลองใจแล้วคุก เดือดร้อนสับสนวุ่นวายชีวิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันแม้จะทําบุญมากๆนึกว่าตัวเองมีธรรมะแต่ยังมีทุกข์อันนั้นไม่ใช่ธรรมะอันนี้ธรรมะอันนี้ธรรมะคือตัวการกระทํานั่นเองการกระทําด้วยคํำพูดอีกอย่างหนึ่งการกระทําด้วยมือด้วยเท้าอันหนึ่งการกระทําทางจิตใจนึกคิดอันหนึ่งอัตมาเข้าใจตัวนี้คำว่าธรรมะธรรมะนึ่งไม่ใช่เป็นตัวหนังสือ ไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปไม่ใช่เป็นโบสถ์ไม่ใช่เป็นวิหารไม่เป็นอะไรทั้งหมดคือตัวทุกคนเป็นธรรมะแต่ว่าธรรมะส่วนจิตใจนั้นไม่มีใครมองเลยเคยพูดว่าทำดีๆเนี่ยคยพูดพูดดีๆแต่เคยพูดพูดแล้วไม่รู้เลยเพราะว่าการทำการพูดนั้นมันสั่งมาจากใจิตใจทั้งนั้นล้วนๆทีเดียวก่อนที่จะรู้จักเรื่องนี้กในตอนแรก กำลังเดินกลับไปกลับมาคล้ายๆคือมีคนมาผักตรงข้างนี่เลยวูบหนเอ๊ะมันเป็นอะไรเรื่องอันนี้มองถึงคนไม่เห็นคนอะไรแบบนี้เป็นยังไงเดินกลับไปตลอดคิดขึ้นมาอีกครั้งที่สองนี่ยรู้โอ้ผมคิดแล้วอมันคิดก็กเลยมาทําเหมือนแม่ขับหนูเนี่ยจะมาชอบเนี่ยพอดีมันคิดมันเห็นโอ้หนูออกมาเมีม่มาจับปับเออมันเหมือนกันเข้าใจยังไง เอ๊ทุกคนก็ทําได้ในเรื่องนี้เะี่ยทุกคนต้องทําได้เอคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มันสอนคนทุกคนให้คนรู้จักตัวเองเคารพตัวเองนี่ยคำว่ารู้จักตัวเองเคารพตัวเองเนี่ยทุกคนพูดได้แต่ยังไม่รู้จักคำว่าเคารพตัวเองนันหมายถึงอะไรแต่สมัยนี้เห็นคนแต่ก็ยกมือไหว้ยอย่างนี้แต่จิตใจจะพากันได้หรือมันเพียงทำเป็นรูปกายเป็น เรียกว่าหน้าไหว้หลังรอกเคยคิดบ้างไหมอย่างนี้แต่ยกมือไหว้ใจก็ไม่พอใจอีกแล้วเนี่ยคิดพ้อนใคร ห, หัว <c ười> มันคิดอย่างนั้นก็ดีอันนั้นยังไม่ใช่เขารบตัวเองถ้าเราเห็นเพื่อ น, นยกมือไหว้ตัวเองเราก็ต้องเขารบตัวเองเราทําดีแล้วหรือยังถามตัวเองถ้าเรายกมือไหว้ตัวโอ้เราทําดีแล้วคือเราไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเอง เมื่อเรายกมือไหว้ตัวเองก็เป็นการยกมือไหว้เพื่อนมนุษย์ทุกคนนี่เป็นการพัฒนาอย่างเร่งรัดที่สุดรวดเร็วที่สุดอะไรทุกคนทําได้เนี่ยไม่ใช่จะทําตั้งแต่คําพูดนะอาตมาชอบรู้จักเรื่องนี้มาก็เลยชอบพอใจตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงวันนี้นะยกมือไหว้จะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยกมือไหว้จะเป็นโยมก็ยกมือไหว้เด็กเด็กยกมือก็ไหว้ได้เหมือนกัน พ่อไม่ได้ยกมือไหว้คนนั้นแต่เป็นการทำไปพร้อมๆกันคือไหว้ตัวเองเห็นว่ามันทำดีแล้วด้ืยยังเนี่ยมันไม่ได้มองดูชัดลงไปถึงจิตใจอันนี้แหละความเล่งลัดพัฒนามันเข้าทางตาทางหูแต่ใจเป็นในข้าวเดี๋ยวนี้นักเรียนไปเห็นครูโรงเรียนหรือไปเจอขยศมือไหว้ครูเพื่อนๆมาก็ยกมือไหว้กันแต่ยังอิจฉ า, าเลอดเสีดเียดเบียนกันมี ควบทุกสับว์ส่นวุ่นวายกันเพราะยังไม่เคารพตัวเองนี่เองวันนี้เมื่อเรามามองถึงเดี๋ยวนี้อ่จิตใจมันเป็นยังไงจิตใจมันอ่อนน้อมท้อมตนดีแล้วหรือยังดูลราไม่ถามใครแต่ถามตัวเองนี่แหละอจิตใจเดินเป็นยังนี้แล้วก็เห็นในจิตใจเราคนอื่นจะมองเห็นได้ทำไมนี่การปฏิบัติธรรมมาคือตัวการกระทํานั่นเอง เรียวพระสูตรพระวิไนพระอภิธรรมคำสอนของพระพเจ้าแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เาับมีพระสูตรตันตะิดกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์มีพระวิไนตันตะดกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์เป็นสี่มื่นสองพันเนยนะเนี่ยวันนี้มีพระอภิธรรมจดกเดียวนี่สี่หมืนสองพันพระธรรมขันธ์รวมเป็นแปดหม่สี่พันพระธรรมขันธ์ แล้วก็ไปเรียนตำนานเลยไม่ได้มาเรียนตัวเราเลยเราต้องขยับเข้ามาใกล้ๆบเรียนตัวเราสักถ้าสูตรคือการกระทำนี่เองด้วยมือด้วยเท้านี่พระวิเศษไหนคือคำพูดไปบังคับมันไว้คำพูดอย่าย้าําไปพูดไปรัวเลยอย่างที่มันไม่ดีน่ะบังคับมันไว้ท่นควรอย่นั้นสองอย่างเนี่ยมันใชเทียบกับพาะพิธรรมพระพิธรรมคือใจเไหม สั่งให้กายทำสั่งให้คำพูดพดออกมาเนี่ยเดียนใกล้ๆที่อาจจะมาพูดอันนี้แหละเรื่องหน้าที่ที่จะามาเราสู่ฟังในวันนี้แล้วก็ได้อ่านหนังสือนี่หนังสือเล่ม น, น, นี้นี่เองเนี่ยไปหาเ อ, อยดูนานวันนั้นให้ใครพาไปซื้อไม่ได้อันนี้ใครซื้อมาวันนี้เดืนอนทองเดืไปซื้อมาเนี่ยอ่านให้ฟังด้วยโดยเพราะอ่านติดใจหนังสือเล่มนี้อันนี้สองบทสนน มหาสติปัฏฐานผู้ใดผู้หนึ่งจเจริญสติปัฏฐานทั้งตีนั้นตั้งแต่เจ็ดวันตั้งแต่เจ็ดวันไปจนตลอดถึงเจ็ดปีท่านกล่าวว่าได้อนิสงส์ประการคือ่อพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้สองพระอนาคามีในปัจจุบันชาตินี้แต่หนังสือที่เล่มตัวหลวงพ่ออ่านนั้นไม่ได้ว่าอย่างนี้แต่อันเดียว ท่านว่าให้เจริญสติปัฏฐานสี่สิบต่อกันเหมือนลูกโซ่มีอเนกสงสองประการหนึ่งเป็นพระอรหันต์หากไม่ได้เป็นพระอรหรันต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดเจริญตั้งแต่วหนึ่งวันไปถึงเจ็ดปีอย่างตาที่สุดและอย่างกลางตั้งแต่หนึ่งวันไปถึงเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุด นับตัง้งแต่หนึ่งวันไปถึงสิบห้าวันทำให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่เสมอมีอันนีงสงสองประการตัวเองก็ภูมิใจไว้อย่างนั้นอันนี้อาจามาพูดด้วยวิธีเทคนิคและคนไกของที่ตัวเองได้ศึกษามาไม่ถึงเจ็ดปีรับรองบอกว่าไม่ถึงเจ็ดปีแต่พระอรหันต์ไม่ต้องพูดเรื่องพระอนาคามีก็ไม่ต้องพูด ให้เจริญสติติดต่อโดยวิธีการเคลื่อนไหววิธีใดก็ตามให้มีควมรู้สึกตัวตื่นตัวรู้จกตใจจรนใจทำอย่างนี้น่ะรับรอง ว, ว่าไม่เกินสามตีความทุกความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนนั่นแะจะลดน้อยลงถ้าสมมุติเรามีทุกอยู่ร้อยเปอร์เ็นนะ ความทุกอย่างน้อยต้องหายไป60เซจะเหลืออยู่ภายใน40เซ็ความหนัก อ, อกหนักใจความไม่สว่างความมืดออในใจ น, นั่นแหะมี100ร้อยเปเซ็นก็จะมีความสว่างขึ้นมาลนเกณฑ60เความรู้ก็จะเกิดขึ้นภายใน60เปอร์เซ็นเรื่องหลักพุทธศาสนาเนี่นึกว่าเข้าใจจริงๆรับรองได้ เรื่องนรกสวรรค์ก็จริงจะรู้เหมือนกันคนใดเจริญสติแบบนี้แหละเอา้ารับรอบมาทำจริงจริงกันให้เวลาหนึ่งปีเอากันจริงจริงจังจั ง, จ, งจะมีตาทิพย์ขึ้นมาจริงจะมีหูทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์อย่างที่ตัวอาตมาเอามาพูดให้ฟังในวันนี้ไม่ใช่ตาทิพย์นั่งอยู่ที่นี่จะไปมองเห็นตับไตไส้ต่อดคนนั้นคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้น แล้วหูทิพที่นี่ก็ไม่ได้ว่าคนไหนพูดอยู่ที่ไหนฟังรู้จักข้อความทั้งหมดไม่ไชอย่างนั้นตาทิพหูทิพอเนตตาทิพหมายถึงจะเห็นตัวเองและเห็นเพื่อนเราการทำการพูดการคิดตาทิพอเนตจะเห็นเห็นตัวเราจริงๆ น, นี่ตาทิพอเ น, นี้หูทิพก็หมายถึงว่าเพื่อนเราพูดดีพูดชั่ว พูดเป็นธรรมะหรือพูดลอกวงพูดโกหกจะรู้ตัวเองพูดออกมาก็จะรู้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นผมคิบอันนี้ตจะเป็นสิ่งที่สําคัญทุกคนศึกษาได้เรื่องนี้ไม่ยกเว้นจริงๆ <c oughs> จะเป็นผู้เย็นก็าตามผู้สายก็าตามเป็นพระสงฆ์องค์เจา้าก็ตามจะเป็นคนละที่ไหนถือศาสนาไหนก็าตามเพราะตัวเองเป็นโยมเนี่ยไปปฏิบัติรู้เหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่ารู้ทําไมว่ารู้เหมือนกันนึกได้อะไรนึกได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ตัดทั้งหลายคือเราตถาคตไม่ใช่คือคนอินเดียนะคาว่าคือเราตถาคตในสัต์ทั้งหลายเหมือนกับเราตถาคตไม่ใช่เหมือนกันนะแต่ว่าคือกันที่ตรงไหนคนอินเดียก็มีตาสองตาหรือคนอินเดียมีกี่ตามีตาเดียวหรือสองตาสองตาเออเหมือนกันนะ วันนี้มีแขนเลยแขนสองสองแขนสองหูเหมือนกันไหมเออเนี่ย น, นี่สาําคัญเราไม่เข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราแต่ทศคือกันแต่ว่าสูงดำตําขาวไม่คือกันธาตุสี่ขันห้าอ า, ยา 12, 5, 18, อ 4, 22, ิยตนาสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองเรียกปฏีปฏิกจะสมุขบาทมีเท่ากันอันนั้นเป็นตําลาเนานะเป็นตำลาแลนะ้วไม่ใช่เอาตัวจริงมาพูดนะ คันห้าเขาว่าลูกเวทนาสัญญาสังขาร ย, ยืนยันอันนั้นก็เป็นตำลาเนาะเราไปเห็นลูกที่อื่นน่ยอาจจะมาเคยรู้มาไม่เคยรูร้ลูกตัวเองเลยนี่อันจตนะก็ตาหูเนี่ยลูกเสียงเนี่ยมันมาคู่ๆกันเลยจักขู่ธาตุโสตาธาตุจกักขูโสตาคณะสิวหาไปเนี่ยอั 3, 6, 18, นละสามอันละสามกเรียกว่าธาตุสิบแปดเนี่ยสามหกก็มีสิบแปดอยู่ล้วนี่มันเป็นอันเดียวมีเหมือนกันเึงว่า คนไม่รู้เท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าการพัฒนานั้นต้องลงมือพัฒนาตัวเองกอกถ้าจะไปเร่งนัดพัฒนาถนนหนทางนั้นความตับสนวุ่นวายความหยดร้อนนั้นจะล ด, ดน้อยลงมาแต่คงจะไม่ได้ถึงร้อยปอร์เน์ถ้าหากเรามาพัฒนาตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเอง ความทุกข์ความสับสนวุ่นวายร้อยเปอร์เซนต์นี้อาตมาเขาจะบอกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้อันทีเมื่อตัวเองไม่มีความทุกข์ไม่มีความสับสนวุ่นวายไม่มีความเดือดร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เย็นเพื่อนทุกคนก็ต้องการเย็นไหมหรือต้องการร้อนมนรรษุษย์กุกราบทุกภาษาทุกเทศทุกวัยต้องการความเย็นเพ่าะนั้นสมมุติต้นไม้เนี่ยไม่ไม่มีใบนะใครจะเพิ่มมันได้ เดียวใบมันไม่มีเลยหน้ามันโดดมันล่นนุ่มแต่สงวนเราแฉจะรู้5ต้นไม้มันมีรากใบมันโดดหนาคนเขาไปอาศัยร่มมันสบายมันเย็นแต่คนมันไม่เข้าใจเรื่องนี้เนนั้นเองแต่คนชอบหาแต่ต้นไม้เย็นๆแต่เราไม่เข้าใจควมเย็นประเภทนี้ถึงเราจะตากแดดตากลมตากฝนอยู่มันก็ไม่เดือดร้อนเพราะหน้าที่ของคนคือหา คนต้องมีงานทําเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราหางานให้คนทำแต่งานงเรื่องนี้ไม่ทำไม่เดี๋ยวก็ไปทํางานตามห้างร้านบริษัทต่างๆไม่ไม่พอใจสิใส่แล้วมันร้อนเดี๋ยวก็ไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้หัวหน้าหรืออะไรทะเลาะประเอาแดดเพราะมันร้อนเนื่องจากเราไม่ได้ศึกษาตัวเองนั่นเองหัวหน้าก็ไม่ได้ศึกษาตัวเองตัวเองก็ไม่ได้ศึกษาตัวเองไปศึกษาตั้งแต่มุ่งหวังจะต่ทางโลกมาก ทางโลกด้นดีแล้วอาจจะมาไม่ห้าเมื่อโลกดีแต่ทางจิตใจไม่ดีคนเดือดร้อนติดทุกจติดตารางปุ้นที่ฆ่ากันตายม่เป็นอย่างนั้นถ้าหากจิตใจดีมีคุณธรรมคองใจถึงว่าโลกถนนหนทางไม่เจริญก็ผอไปได้เป็นอย่างนั้น แต่ไปถึงเหมือนกันแต่บอกขมแล้วนะอาจจะไม่เร็วเหมือนกับสมั ย, มยที่ขีรถนี้อาตมาเคยเดินทางไปไปบ้านที่บ้านนองเดินไปแต่ไม่ได้ถือหอ่อข้าวสมัยตัวอาตมาเป็นเด็กไปไปบ้านที่บ้านน้องเนี่ยไปถึงก่อนกินข้าวเลยเล้ยยางถามอย่างนี้เด็กไม่ถามเรื่องอื่นเลยถานเรื่อกินข้า ว, าวากวินข้าวอ่นี่บ้านอราชอกินข้าวอะนี่มึงกินข้าวเลยเล้ยยังมึงที่ไปยัน้นมึงที่ถามอย่ น, นี้ ขันบอกว่าไม่ได้กินก็เอาผาแม้แต่เดียวนี้ไม่ได้แล้วหรือไปต้องมีสตางค์ติดกระเป๋าเข้าร้านอาหารเลยเนี่ยพี่น้องก็รับต้อนกันไม่ได้กินข้าวด้วยกันไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจเจริญหรือมันมันทุดลงจิตใจคนอยน่านี้อาตมาเข้าจัหวัดทางโลกจเจริญเงินทองมีติดกระเป๋าแต่ไม่ได้ดูหน้ากันแต่ทางจิตใจเนี่ยไม่เคยก้าวหน้าไม่เคยให้มันพัฒนาขึ้นมา มันพุดไปพุดไปพุดไ ป, ดไปคนที่พูดก็ยินเอาคนที่ทําก็ยินเอาข่าวหนึ่งอาตมาที่อยู่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นคนจังหวดอุดอรพวกคุณดายิยนแดนใดๆอย่างนี้นั่นที่เขาเปิดร้านบอกเขามีมณฑปเก้าลูกไปสวจเปิดใต้แต่อาตมาก็มีนโยบายพระาดินธบาทให้หมดเลยอาตมาไปคนเดียวอ คนที่ไม่ไปอาตมากรไม่ต้องออกมาเ็ไปคนเดียวเขาอยากให้ไปสวดเก้าองค์แล้วก็อยากให้เปิดใต้ให้พ่อตาแม่ยายเขาอาตมาก็ไปไปสวดให้ฟังไม่รู้เลยพุทธนโมตัสสะก็ไม่รู้พุทธทางธรรมังสังครังก็ไม่รู้แต่รู้แต่ไม่รู้แต่รู้แต่ภาษาบาลีแต่ไม่ได้จะรู้ธรรมะ ก็เลยถามแปลให้ฟังแล้วถามตรวจให้ฟังแล้วบันเนียป้ายเลยทำตัวโตๆอย่าทาตัวเล็กยุกสูงๆคนไปแล้วให้คนเห็นป้ายตัวโตๆแล้วจะได้ซื้อง่ายขายดีแต่จะขายแทงมากเกินไปแล้วก็เอากำไรก็จะเอามากแล้วกับลูกน้องคุณมีห้าคนอย่างนี้ถ้าหากว่าลูกน้องคุณให้เขาเดือนละสมมุติเอาหน้าหนี้งพันห้า คุณเอาคนเดียวสามพันมันก็แย่แล้วเนี่ยเขาได้พันห้าตัวเองเอาคนเดียวสามพันตัวเองตัวเองเอาสองพันก็ยังดีนะเอาเล่นลูกน้องจากห้าร้อยไปถึงไดนะ้ถ้าหากคิดดีๆเราเอาเงินจํานวนนั้นมาสเสียแบนเอาให้เขาได้ดูดีจริงดีบนี้เมื่อเขาได้อยู่ดีจิง ด, ด, ด, ดีเขาไปมุ่งหวังในงานให้มันก้าวหน้าขึ้นมาคุณไม่ต้องไปหาลูกน้องอีกแล้วอ่ะก็เลยสวดให้ฟัง โยจักคุมาโมหามาลาปักะโธอันนี้เป็นภาษาบาลีนะคุณแปลว่าท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักสุ ข, ขจัดมุนทิมคือโมหะเสียแล้วเละคุณไม่รู้ขจัดโมหะตัางหากนะอันนั้นไม่ใช่จะเป็นขังสักดิ์สิอะไรกันมาพูดนมโมตัตตะให้ฟังนมโมตัสตะอย่างที่เราพูดกันนโมตัตตะสักระโตแต่เราขอนกน้อมแด่พระกริ้งถามจะโกนั้น อรหตัตโตเป็นผู้ไกลจากสิเลสแต่สมัยเมื่อจะมาเป็นเรนอรหัตโตเป็นวะโสภีสมัมมาสัมพุทธะตัทธลุโดยชอบหรือตัทธลุ่เองโดยชอบเขาจะทำ เ, เดียวนี้เราได้ยกมือไหว้ลูกน้องเสียแล้วยกมือไหว้ได้น้อยลูกน้องก็ไม่ยกมือไหว้นายจ้างเสรียแล้วก็ยกมือไหว้เน้น้อยแต่ยกมือไหว้คือ ใ, ใจมันไม่ไหว้อันนี้แหละคือมยังไม่ได้พัฒนาใจ อย่างที่พวกเรามาที่นี่อาตมาอยากให้พัฒนาจิตใจในวงการของเราเน้น้อยจะว่าพัฒนาก็ได้จะว่าสังคมนิยมก็ได้จะว่าการเจริญก็ได้คาว่าเจริญก็แปลว่าให้มันก้าวหน้านั่นเองอย่างที่มีบนพระก้าองก็หมายถึงการก้าวหน้าแต่มันไม่ก้าวหน้าเอา้าไปสวดก้าองก็ยังทะเลาะกับอยู่บนก้าวหน้าทำไม มาอยู่ทำนี่ก็เคยทำหลายครั้งมาแล้วในบนภาพเก้าองค์ไปส่วนนะั้รู้ไหมบางทีโยมมาสังฆฐานที่นี่ต้องการภาคเก้าองค์หลวงพ่อคนคนสิมากเอาหลวงพ่อคุณดียาไปได้หลวงพ่อเคยพูดเอาพูดเอาตัวเอง <c oughs> ก็พูดเอาเองเนี่ยพูดเพื่อทำความเข้าใจนะทีเพราะคนมันติดสมมตุติมันไม่รู้คําว่าภาคเก้าองค์ก็หมายถึงสังฆะุ่นเก้าก็ได้หมายถึงทำการก้าวหน้าก็ได้ สึ่งใดทําแล้วก้าวหน้าก็ไม่ต้องไปเอาพระมาก้าองค์ก็ได้เอาพระไปสวดก้าองค์ทำแล้วมันสุดลงไปสุดลงไปสุณอาเอาพระก้าองค์ไปสวดนั่นก็ภาน้อยที่สุดหรือบางทีอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้เทนํามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เพราะพูดด้วยวมจินใจไม่ต้องอ้างเองอาศัยตำรับตาลาอะไรมากกันเรามัวไปติดตำลาการรักษาศีลก็เช่นเดียวกัน เมื่อวานนี่มาพูดกันที่จังหวัดยะภูม์นี่เหมือนกันพาะสงฆ์องค์เจ้านี่ยไปแสดงให้คนอื่นฟังได้ตัวเองไม่เคยกําหนดไม่เคยตรวจเช็กตัวเองสักทีเลยพอดีโยนมาพูดนิด เ, เดียวเอาแล้วโปกันขึ้นจําแดงขึ้นม า, นมาเป็นผีจะมาพูดในใจแต่ไม่ได้พูดออกเสียงดังนั้นเราไม่มีตาทิดไม่มีหูทิดก็จะมองเห็นผีได้ไหมมองไม่เห็นเลย โยมก็เหมือนกันพักก็เหมือนกับทางนี้เคยพูดว่าคนที่ใจร้ายใจไม่ดีไอ้ผีเนีย่ยเคยพูดบ้างไหมเนี่ยเคยพูดนะครับเ น, นี่ยแต่คนไม่มีตาที่มาจะเห็นไหมก็มองตาที่ว่าใจโกรธใจเป็นผีแล้วก็มองเห็นอยู่แล้วใครก็เป็นผีได้นะผู้หญิงก็เป็นผีได้แบบนี้ผู้ชายก็เป็นผีได้แบบนี้ภาคสงองค์เจ้าก็เป็นผีเช่นเดียวกันเป็นเพียงสมมุติเข้าใจไหมอ๋อ วันนี้คนใดทดําดีพูดดีหน้ายืนเย็นเสีคนดีใจดีคือพระธรรมเนี่ยเคยพูดไหมเนี่ยแล้วไอ้นางเนี่ยพูดดีว่าดีแต่งเนื้อแต่งตัวดีเขารบนับถือรู้จักขั้นบุตรธรรมนเนี่ยนางนี้คือเทวดาเราไม่มีตาทิ่ะจะเห็นไหมไม่เห็นเลยดังนั้นวันนี้จึงอยากอยากให้พวกเราศึกษาตัวเองให้มันมีตาทิพย์้มมีหูทิพย์ขึ้นมา ตัวเซ็กตัวเองบ้างดังนั้นจว่าผีคือการทําทั่วพูดทั่วคิดทั่วนั่นเองเทวดาคือการทําดีพูดดีคิดดีนั่นเองอันเทวดาอยู่สัรรฟ้านะี่ยยังไม่ต้องไปนั้นรกใต้ดินยังไม่ต้องไปเราต้องมองเห็นเดอยวนี้ก่อนพอดี๋ยวเราก็โอยใจเป็นผีแล้วมันจะไปนรกแล้วก็หยุดกันที่เล็กทีก่ในน้อยเป็นธรรมาดาถึง ใจมันดียิ่งยงนจะโอ้เทวดาไปอย่างนี้นะแล้วก็ต้องรู้จักเซ็คล่าขายตัวเองออคนใดมีหิริโอตปะก็เป็นเทวดาได้ทันว่าย่างไงดังนั้นธรรมะอันเนี้ยควรที่เขาไปอยู่กับจิตใจคนควรเข้าไปอยู่กับครอบครัวของคนแล้วควรเข้าไปอยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ให้ธรรมะเ น, นี่ยเดินไปหาคนนะธรรมะมันมีอยู่แล้ว แต่มันถูกปิดคือกุญแจมันล็อกเอาไว้เดิไขไม่ได้การทําบุญการรักษาศีลการไปทํากรรมฐานมันไม่ใช่เป็นเรื่องไขกุญแจตัวนี้การทําบุญก็ไม่รู้บุญอจะมาไม่ไม่รู้จักบุญจะเอาบุญได้ไหมเหมือนกับไก่ไม่รู้จักเ็ดนั่นเองมันก็ขี้เล่นไปนะไก่ไม่รู้จักเทเกเเไปใใมไม่รู้จกัจกกินเนี่ยการรักษาศีลก็เช่น เ, เดียวกัน อาตมาเคยรักษาอุโบสถขินมาตั้งที่เมื่อเป็นหนมแต่ไม่รู้นี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วจะได้ขินมันก็ได้อย่างที่สมมุติพูดถึงนอาจารย์นั้นนการทํากรรมฐานก็นั่งได้สงบแดดแต่สงบแบบนั้นมันไม่ใช่สงบแบบนี้มันเป็นคนละเรื่องเดียวลูกคนแก่คนละดอกกันแล้วเอาไปไขม่มันจึงไม่เข้าร้องเข้ารอยกั น, <S <S กนถ้าเป็นลูกของมันจริงๆเอาไปซุกเขาแล้วไขออกมาทันทีที่เหมือนรับรองได้ การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแต่ไม่ต้องหลับตาเคลื่อนไหวโดยวิธีใากอ่นรู้เอาไม่เกินสามปีไม่ถึงเจ็ดปีเด็อันนี้รับรองได้ทำจริงๆนะไม่ซิดกับบุคคลผู้ที่รู้จริงๆนะเอาให้เวลาเก้าสิบวันไม่มากก่าน้อยเพื่อนจะรู้ขึ้นมาจากธรรมชาติมันจริงๆเหมือนกับพืชทุกเม็ดแต่มันมีแล้วแต่เราไปเพาะ ที่มันซุ่มมันเย็นเมื่อไปตกที่ซุ้มที่เย็นแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาทันทีถ้าไปตกที่มันไม่ซุ้มไม่เย็นมันก็นานงอกบ้างถ้าไปเพราะที่มันใกล้ๆกับไฟแล้วไฟไหม้ไปไม่งอกคนนี้เป็นยังไงอันที่พูดดี่กวเส้นเดียวกันดังนั้นเราไปมัวจะให้ฐานมัวรักษาสิงมัวทําความสงบแต่เราไม่รู้เลยสงบแบบนั้นมันยังเดือดร้อนเลย อันนี้สมมติก็ได้ยังไงก็ได้ใครจะพูดเรื่อะไรก็ได้แต่เรารู้สมมุติเริมก็อยู่ได้ให้รู้จากสมมุติจริงๆเดี๋ยวนี้คนมันติดสมมุติจึงมันไม่รู้สมมุติสมมุติจึงเป็นฟ้าบังจักสูกไม่เป็นยังไงตัวเองของอาตมาโค้ชเดียวกันเคยติดมาแล้วเรื่องนี้า ก, การพูดสมมุติให้คนฟังเนี่ยคนไม่เข้าใจเพราะมันไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยมันได้ยินแต่สมมุติใครก็รู้เนี่ยสมมุติ อันสมมุติมันรู้แต่มันไม่รู้เมื่อนกับความคิดนะใครคิดก็รู้แต่มันไม่รู้มันคิดแล้วเข้าไปในความคิดเลยพอได้เข้าไปในความคิดมันไม่รู้คมคิดแล้วมันก็คมคิดลากไปเลยมันก็ไม่เห็นผมคิดนี้เป็นอย่างนั้นอันรักษาศีลก็เช่นเดียวกันมัวไปรักษาศีลห้าตานาไม่ให้ข้าสัตรูที่นาไม่ให้รักของเขากรามเมย์ไม่ประพฤติผิดในกามมุขสาไม่โกหกสุราไม่ดื่มแําเมาไปรักษาอันนั้นคุน ไม่เคยดูใจตัวเองเลยมันก็ดีนันก็ดีอาตมาไม่ได้ว่ามันไม่ดีดีแล้วนักกะดีบัดนี้เราไม่ต้องไปรักษาศีลห้าก็ได้พอย่างนิยมเกิดตัวว่ยทําลายหลักพุทธศาสนาแล้วไม่ได้ทำลายนี้แหละตัวจริงทำให้หลักพุทธศาสนาเจริญขึ้นมาได้จริงจริงเมื่อมาดูสภาพจิตใจของเราแล้วมันกินกันไปทั้งหมดเลยจิตใจมันคิดไม่ดีเราบังคับได้ พเรารู้สึกใจเราแล้วเมื่อการเคลื่อนไหวทางรูป ก, กายนี่ไปทางไม่ถูกต้องเราบังคับได้เพราะเราเห็นกายเราเองเหนใจเราเองนี่ตัวสิ่ง